นลวกพ่อเรียกช่างมาทำทางขึ้นให้ไว้ให้คนนั่งรถเข็นขึ้นเห็นมีนั่งรถเข็นกันมาบ่อยๆแต่ที่โบดคงทำไม่ได้อะที่มันไดกทำทางรถเข็นขึ้นยากทำแคล้วแว้ซะกันก็นแล้วนั้น <laughs> โยคนไหนยขึ้นาให้ลูกหลานหามขึ้นไป เหมือนหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมท่านขึ้นถ้ำับหล่องท่านแก่ในท่านขึ้นไม่ไหวให้พระหามแรกแรกแคร่ของท่านนะหนักมากกว่าคนคนหนึ่งเหามแคร่ก็น่ากลัวแคร่ทำด้วยไม้หน้าสามตอนหลังค่อยพัฒนาให้เล็กลงเบาเรืงชั่วหน่อยแค่แบกแคร่ก็แย่แล้วหลวงพ่อเคยแบกขึ้น แปลกสองคนนะตอนนั้นอยู่บนถ้ำหบปลองเห็นปลาวิ่งกันตุบตบตุบตปลาวิ่งจริ ง, รงพระปลาป่าเนี่ยบางทีไม่ไปรีบร้อนนะวิ่งตุบตบตับ ต, บ ต, บตบแปลกแคล่ววิ่งลงมาทําไปไหนหลวงปู่จะมาละลงไปรับหลวงปู่เราก็รวมตัววิ่งตามลงมาด้วยลงมาถึงข้างล่าง มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกสมัมนั้นมือถือไม่มีเนะี่ยก็โทรเข้าไปที่หมู่บ้านนะที่หมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกที่วัดว่าหลวงปู่เปลี่ยนแผนไม่มาลพะพลาดเลยทิ้งแค่นะตอนแบกแบกลงมาสี่ห้าองะแล้ววิ่งตามลงมาอีกขบวนหนึ่งเสร็จแล้วตอนจะขึ้นาหันมาบอกเราโยมเอาขึ้นไปด้วยนะเราก็วิ่งหนีขึ้นเขาไปหมดเลย <c oughs> ตอนลงมานะแบกกันตั้งเยอะเลยตอนขึ้นเราสองคนโยมสองคน <c oughs> เดินไปสามสี่เก้าวางทิ้ง <laughs> ขึ้นไปถึงนนะวอู้หิวหิวหมดพลังงานหายง่วงยังต้องหาอนิทานมาเล่าอา้าวพร้อมยังสังเกตไหมพอหลวงพ่อถามว่าพร้อมหรือยังเราก็รวบจิตเข้ามาเป็นส่วนมากรวบไหมดูรวบปุ๊บ ดูหน้าก็รู้แล้วไม่ต้องดูจิตหรอก <c oughs> เรียกฟอร์มมากฟอมมากในนักปฏิบัตินะจะภาวนาให้ดีนะต้องฟอร์มน้อยฟอมน้อยถ้าเราฟอร์มมากแล้วพอคิดถึงปฏิบัติปุ๊เรารวาบจิตขึ้นมาเลยจิตจะนิ่งผิดความเป็นจริงภาวนายากละหลัดจากนั้นจะทื่อๆไปตลอดเป็นของปลอมไปหมดเลย มีองค์ธรรมห้าประการของคนภาวนานะถ้ามีครบห้าประการนั้นสำเร็จง่ายอันแรกมีศรัทธาต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ใช่ศรัทธาพระองค์นั้นองค์นี้นะเวลาศรัทธานี่ต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้นอกจากมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าคำสอนของท่านจะพาให้พ้นทุกข์ได้สุขภาพต้องดีพอ ถ้าจะมาเริ่มภาวนาตอนอัลไซเมอร์กินแล้วเนี่ยนะไม่ได้ผ ล, ลสุขภาพต้องพอแข็งแรงพอประมาณแต่ไม่ใช่ฟิตเปรี้ยวิ่งร0 0เมตรใน9วินาทีไม่จำเป็นะนะถ้าสุขภาพไม่ดีภ า, า, าวนายากใจมันกังวลไม่มีแรงยิ่งโรคบางอย่างนั่งแล้วเบลอเบลอเบลอทั้งวันภาวนาลำบาก อย่าพวกเรารีบพภาวนาตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่นะแต่ถ้าเราภาวนาจนชำนาญตั้งแต่แข็งแรงแล้วต่อไปเป็นโรคนะ้ำเบลเบอะไรยังภาวนาได้นะเป็นโรคอะไรก็ยังภาวนาของเราอยู่ได้ไม่ลำบากนอกจากนี้ก็ต้องอะไรนะอ๋อซื้ อ, อ, อเนี่ยพอเพิ่งเทศให้ฟังตะกี้นึง <laughs> ต้องซื่อนะแต่ละคนชอบปั้นปั้นหน้าใส่หน้ากา ก, าก หลอกตัวเองก่อนแล้วหลอกคนอื่นที่หลังนะอย่างนี้ภาวนายากเพราะเรามองไม่เห็นกิเลสกิเลสซ่อนหมดเลยนะนึกว่าเราเป็นคนดีนะงั้นอย่างหลวงพ่อถามเวลาส่งกันบ้านเห็นกิเลสอย่างนี้เห็นกิเลสอย่างนี้โอ้หลวงพ่อว่าอย่างนี้ดีนะถ้าเห็นกิเลสได้วันหนึ่งก็สู้กิเลสไดนะ้ไม่เห็นมันสู้ไม่ไหวหรอกกิเลสเราไปกินหมดนะซื่อๆภาวนาไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีนะจะถามครูบาอาจารย์ก็อย่าใส่หน้ากา ก, ากมาถาม ถ้าถามซื่อๆนะแบบเรามีกิเลสอย่างเงี้ยเราจะสู้ยังไงจนมุมแล้วไม่รู้จะช่วยตัวเองได้ไงอย่างนี้ครูบาอาจารย์เต็มใจช่วยเลยซื่อๆนะต้องเรียนกันด้วยใจจริงๆลยเรียนด้วยจิตใจที่เสแสร้งใส่หน้ากากไม่ได้ผลหรอกต้องซื่อๆนะถัดจากนั้นก็ต้องขยันปรารบความเพียนถ้าพูดภาษาสมัยใหม่นะก็คือทำในรูปแบบด้วย ไม่ทําในรูปแบบเลยนะจิตใจก็จะ ย, ย่อหย่อนสมาธิก็จะตกถึงจุดหนึ่งภาวนาไม่ได้จริงงั้นแบ่งเวลาทําในรูปแบบไปทุกวันสิบนาทีก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยเนะบื้องต้นหลวงพ่อขอ10นาทีเท่านั้นแหละพอ10นาทีเราทําได้ชํชนานีชํานาญมีความสุขที่ได้ทํานะมันเพิ่มเองนะเดี๋ยวนี้ใครเคยนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมรวมๆละวันหนึ่งได้ชั่วโมงหนึ่งบ้างมีไหมยกมือซินี่ชักเยอะแล้วนะ ถูกหลอกมาตั้งแต่สิบนาทีนั่นแหละถ้าหลวงพ่อสตาร์ทที่หนึ่งชั่วโมงแล้วพวกเราถอยไปหมดลนะพวกเราไม่มีแรงวันวันก็เหนื่อยจะตายแล้วยังไม่เกณฑ์ให้ภาวนาอีกนะแค่นี้ก็แย่อยู่แล้วอะไรแต่พอเราหัดวันละเล็กวันละน้อยนะชำนี้ชำนาญขึ้นมาภาวนาแล้วมีความสุขขยันอนะ่ะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เลยนะนอกจากปรารคความเพียรทําในรูปแบบน ะ, จะเจริญปัญญามีข้อห้า นะข้อหนึ่งมีศรัทธาข้อสองมีสุขภาพที่พร้อมไม่ถึงขนาดต้องแข็งแรงเต็มที่หรอกนะแล้วก็ซื่อๆนะไม่เสแสร้งไม่โอ้วกนะ็ขยันภาวนานะทำในรูปแบบทุกวันเด็ดเดียวปวดจะเมื่อยยังไงก็ต้องทำนะี่หลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าว่ามีพระนะท่านตั้งใจเดินจงกรมทุกวัน ท่านเดินเดินไปแล้วท่านเดินไม่ไหวเท้าท่านแตกหมดแล้วท่านคลานคลานจงกลมคลานไปคลานมานะมือก็แตกหัวเข่าก็แตกนะกระดุกกระดิกไม่ได้นะท่านนั่งขยับไปขยับมานะลงนอนก็นอนพลิกไปพลิกมาคนก็รู้สึกโอ้พระองค์นี้อาการหนักแล้วนอนกระสับกระส่ายความจริงท่านนอนพลิกไปพลิกมานะท่านพยายามรู้สึกตัวเนี่ยเด็ดเดี่ยวจริงๆ นะนี่ครูบาอจารย์เล่าให้ฟังให้เอาเป็นแบบอย่างนะนี่มีความเพียนนะข้อ5ก็คือต้องเจริญปัญญามีความเพียนแบบบัวแบบควายไม่ได้ต้องเจริญปัญญาพอเราพากเพียนไปแล้วจิตเราสงบจิตเราตั้งมั่นแล้วนะต้องเจริญปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรูนะ้จิตใจเคลื่อนไหวก็อคอยรู้เอา อะไรเกิดขึ้นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นเคยรู้เอานะมันรู้ได้ทุกคนแหละแต่ละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ไดนะ้ความโกรธเป็นไงทุกคนก็รู้เพียงแต่ตอนโกรธเนี่ยมัวแต่ดูคนที่ทำให้เราโกรธไม่ดูใจที่กำลังโกรธแค่นั้นเองเวลารักขึ้นมาทุกคนก็รู้ว่าความรักเป็นยังไงนะความโลภเป็นยังไงเราก็รู้แต่เวลาเรารักเราโลภขึ้นมานะเราไปคิดถึงคนที่เรารัก เราไม่รู้ว่าใจกําลังรักอยู่ถ้ารู้ว่าจิตกําลังรักอยู่นี้เราก็ภาวนาแล้วมันต่างกันนิดเดียวคนที่ไม่ภาวนาเขาดูออกนอกไปดูคนอื่นไปดูสิ่งอื่นผู้ภาวนานะ้รู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวเองก็แค่นั้นเองไม่ได้วิเศษวิโสลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกไม่ยากทุกคนรู้จิตใจตัวเองได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ไม่ยอมรู้เท่านั้นเองงันะ้นดูบ่อยๆนะนี่เรียกว่าเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามเรื่อยไป ถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยถ้าทำได้ห้าอย่างนะห้าอย่างนี้เราก็ไปรอดแต่บางอย่างเราคุมไม่อยู่อย่างเรื่องสุขภาพร่างกายใช่ไหมอย่างวันนี้แข็งแรงดีๆวันเป็นมะเร็งไปแล้วก็ได้ใช่ไความจริงเป็นมาก่อนแล้วไม่รู้เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยนะ <Yeah. S 2> เราคุมไม่อยู่เรื่องสุขภาพแต่บางตัวเราคุมได้นะอย่างปราลอบความเพียรเราคุมตัวเองได้เราขี้เกียจเองต่างหากหรือเจริญปัญญาเนี่ยเราคุมตัวเองได้ศรัทธานี่คุมไม่ได้เดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาเราก็ต้องรู้จักวิธีที่ฉลาดทำไงศรัทธาของเราจะไม่คลอนแคลนมากคลอนแคลนแล้วก็ไม่เลิกปฏิบัติเราต้องลดคบกับคนที่เขามีศรัทธา เราครอบคลุมชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นะงั้นเรามีกลุ่มเพื่อนนะเราภาวนามีกลุ่มของเราภาวนาคนไหนขี้เกียจเพื่อนก็ช่วยกระตุ้นช่วยเตือนนะช่วยแนะอะไรเนี้ยประครับประคองช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็ไปได้สมัยพุทธกาลนะพระจํานวนมากท่านก็อยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนภาวนากันอย่างพระปัญจวัคคีใช่ไหมเป็นกลุ่มห้าคนนะยกเว้นนะพระฉับพักคีกลุ่มหคนเนี้ยหามเาเป็นตัวอย่าง กลุ่มหคนรู้จักไหมเป็นตัวอย่างนะแล้วกลุ่มหคนห้ามเอาเป็นตัวอย่างพระฉัพระคีคือกลุ่มหคนเนี่ยเป็นต้นอาบัตเยอะมากเลยแกอาบัตเก่งที่สุดเลยมีความคิดริเริ่มในการจะทำอะไรที่ไม่ดีตลอดเวลาแต่ความเด่นของแกก็คือพอแกทำไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าห้ามนะแกไม่ทำอีกแกไปคิดริเริ่มอันใหม่สุดยอดเลยนะ ก็อยู่มาจนแก่จนตายนะั้นไม่มีตำรา ว, ว่าศึกอนะไม่มีถูกไล่ไปนะเพราะเป็นต้นต้นต่อทุกทีเลยนะไม่ใช่อาบัตทีหลังนี่ยอดเยี่ยมไม่ต้องเอาอย่างนะกลุ่มนี้พัทธวคีสาสิบคนีอยู่กันสาสิบองค์เนยพระโมคคลาสาริบุตรเขาก็เพื่อนกันใช่ประคองกันไปประคองกันไปแต่มีพักพวกอีกสองห้าสิบเนี่ยชดินเขาก็มีสามคนพี่น้อง มีลูกน้องมีลูกศิษย์อีกรวมแล้วพันคนก็เป็นกลุ่มๆนะพวกกระบิลพัฒออกมาบวชนะหลายองค์เจ้าชายมาบวชก็มากกันเป็นกลุ่มเนี่ยพวกเราไปเป็นกลุ่มก็ไม่แปลกอะไรแต่ต้องเป็นกลุ่มที่มีศรัทธาถ้าเข้ากลุ่มแล้วคนหนึงชอบกินเหล้านะอแต่เกิดอิทธิพลมันมากกว่าพวกชอบเข้าวัดเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปฟังเทศกันก่อนเดี๋ยวออกจากวัดแล้วไปกินเหล้ากันออย่างนี้มีไหม ต้องเลือกนะครบคนชนิดไหนก็เป็นคนชนิดนั้นเราเลือกครบคนที่มีศรัทธาที่จะภาวนาคนไหนมาถ่วงเราทวงความเจริญเราก็าห่างห่างไว้คบไปตามหน้าที่เท่านั้นแนะหละหลวงพ่อก็มีเพื่อนตอนภาวนานะภาวนากันอยู่สองคนนะแต่ภาวนาไปภาวนามาเราบวชนะเขาไม่บวชหรอกยังศรัทธาเราคลอนแคลนได้เราก็มีกลุ่มคอยประคองกันไปนะมีกลุ่มมีเพื่อนช่วยกัน ถ้าทาได้นะเราก็ภาวนาตัวรอดได้แต่ต้องรีบภาวนาช้าไม่ได้ถ้าช้าแล้วต่อไปสุขภาพเร็วลงสุขภาพเร็วลงแล้วมีอุปสรรคละสุขภาพไม่ดีเรียกมีขันธมานขันธมานมารรานนะขวางกั้นพัฒนายากเอาต่อไปส่งกันบ้านเล่านิทานพอประมาณละ กราบนะมัสัการหลวงพ่อค่ะก็ได้เข้ามาอยู่วัดเป็นครั้งแรกค่ะเคยได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างาหลายปีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาปฏิบัติด้วยตนเองนะะก็ได้ลองพยายามตามรู้กายรู้ใจนะคะแต่พอเมื่อเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในาทางใจเวลาเราคิดอะไรเข้ามาเยอะๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าตามรู้ไม่ทันนะคะธรรมดานะก็ะะต้องซ้อม <c oughs> ซ้อมรู้ทุกวัน ภาวนาในรูปแบบนั่นแหละสะดูกพองยุคอะไรก็ได้พุทโธก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปพอจิตมันหนีไปเรารู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันซ้อมทุกวันนะอยู่ในชีวิตประจําวันมันจะมีแรงแต่ถ้าเราไม่เคยซ้อมเลยนะยุ่งกับโลกมากๆโลกมันก็ดึงเราไปหมดแต่พอตามรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันหนักๆค่ะหลวง่ออันนั้นมันถัดมาเป็นสามจังหวะนะจังหวะที่หนึ่งหลงไปฟุ้งซ่านไป จังหวะที่2รู้ว่าฟุ้งสัน้นแล้วไม่เกิดจังหวะที่3ามขึม้นกลัวจะฟุ้งนะเลยปละคลองเอาไว้ก็เลยหนักนเราเอาแค่2จังหวะแต่เขาไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซสองจังหวะใช่ไหมแต่ภาวนาเราเอาแค่2จังหวะภาวนาเราใช้ระบบดิจิตอลนะเราไม่ใช้ระบบอนาล็อก ใช้ระบบดิจิตอลศูนย์กับหนึ่งศย์กับหนึ่งคือเห็นไหวขึ้นมาแล้วก็หายไปไหวขึ้นมาแล้วก็หายไปหนึ่งกับศนย์่ใศนย์กับหนึ่งปุดขึ้นมาแล้วก็ดับปุดขึ้นมาแล้วก็ดับมาสการ์หลวงพ่อครับผมขอเรียนถามเวลาที่ทํางานแล้วฟุ้งเยอะๆหลังจากทํางานเนี่ยจะมีวิธีก<ย>กแก้ ย, กยังย <ก S 1> ไง เ, เ, เวลาทํางานในอยู่ใน เวลาปกติที่ทำงานในปัจจุบันนะครับเวลาถ้าทำงานแล้วมันฟุ้งเยอะๆจะแก้ยังไง แ, <ก>แล้วแต่ ห, นะหาทางช่วยตัวเองเอาเก็บเวลาเล็กเวลาน้อยมีเวลานาทีสองนาทีอะไรเนี้ยก็รู้สึกเอาหลวงพ่อเมื่อก่อนตอนทางานนะเวลาทำงานหัวปักหัวปั๊มเนี่ยดูไม่ออกเหมือนกันนะก็ใช้วิธีเดินไปห้องน้าลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เนี่ย ตั้งแต่ตอนลุกนะพยายามรู้สึกที่ร่างกายดูจิตไม่ออกแล้วทางานมากๆแนละ้วเวียนหัวไปหมดแล้วดู ก, กายอ่ะร่างกายขยับเวลาเราจะลุกจากเก้าอี้นั้นจะขยับมือก่อนนะแล้วค่ขยับตัวขาเนี่ยขยับทีหลังหรอกนะไม่ใช่จะเวลาจะลุกก็ขยับขาก่อนไม่ได้หรอกเนะี่ยเราจะขยับได้ไหมไหมขยับมือขยับตัวเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ำํำไปเข้าห้องน้ําเสร็จนะัมีความสุขแนละ้วสบายใจเดินกลับมาเนี่ยดูจิตมาละ นะในเวลาเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยเอาให้หมดเลยนะส่วนเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเนี้ยทำไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าผมในวิหารทำต้องดูกายดูจิตยังไงครับอะไรถนัดล่ะถนัดอะไรเอานั้นแหละไม่ได้มีความต่างกันหรอกครับแล้วแต่ความถนัดดูกายแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูกายดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูจิตนะของคุณนี่ก็ดูกายเยอะๆเรารักกายมากรู้สึกกายเราสวยเรางามนะ ดูกายบ่อยๆว่าไงมันหลงไปเลยเจ้าค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะหลงจนทอไม่ได้ะไนะใจมันเพลดิดเพลินไปแล้เจ้าค่ะมันยินดีในความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติมันติดสุขแล้วเจ้าค่ะให้รู้ทันว่าจิตมีราคะเกิดขึ้ น, นความสุขความสุขไม่ใช่กิเลสเจ้าค่ะแต่ยินดีในความสุขเนี่ยตัวนี้เป็นกิเลสเป็นราคะให้รู้ทันตัวนี้ คือคนคงจะชมมากไปค่ะมันต่างจากเมื่อก่อนเยอะเกินไปมันแบบมันเปลี่ยนในเวลาที่เร็วเกินไปหรือยังไงก็ไม่ทราบเจ้าค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ผลเร็วมันมันอาทิตย์เดียวเองเจ้าค่ะมัน เ, ออเขาก็แซวกันยังไม่เลิกเลยว่ามันเปลี่ยนเร็วไปออออแล้วหน้าตามันก็ดีขึ้นด้วยเจ้าค่ะมันธรรมดาใช้แป้งตราภาวนานะดีกว่าแป้งนานโนเจ้าค่ะแล้ว หลังจากนั้นมันพยายามจะรักษาอันนี้เจ้าค่ะแล้วมันแก้ไม่ได้มันชอบว่าเจ้าค่ะให้รู้ทันไปนะว่าเราใส่หนากกะเจ้าค่ะขอบคุณอ้าวว่าไปมันฟุ้งซ่านเยอะค่ะมันยังไม่กลางเท่าไหร่เลยไม่มาจากโลกข้างนอกห้ามมันไม่ได้นะต้องรับวิบากเราอยู่ข้างนอกมันวุ่นวายมาอยู่วัดนะมันก็ต้องวุ่นอีกวันสองวันเลยธรรมดา เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะ <laughs> ไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนด้วย <c oughs> ไม่ใช่เป็นทุกครั้งอย่างเดียวนะเป็นทุกคน <c oughs> มันต้องมีวิบากไงอย่างเราคลุกกัะโลกข้างนอกมานะ <c oughs> ใจเราก็คล้ายๆมันเปื้อนมันปนเปื้อนมาอยู่วัดนะมันก็ใช้เวลาสองสามวันนะับถึงจะเข้าที่เป็นทุกคนแหละธรรมดากร <c oughs> านบนพัธการหลวงพ่อคะ่ะช่วงนี้มันบางทีเหมือนมันลอยลอยมันชอบไหมใจลอย ให้รู้ทันเลยว่ามันไม่พอใจเนี่ยรู้ทันความใจลอยเราห้ามมันไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตามันจะใจลอยห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ชอบนะรู้ว่าไม่ชอบค่ะแต่ว่าหาเครื่องช่วยมันนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยพอใจลอยแล้วรู้ไวๆจะได้ไม่ลอยนานเท่านั้นแหละกราบและมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมก็ดู คือภาวนาไปเรื่อยๆแบบสม่ำเ ส, สมอแล้วก็การภาวนาในรูปแบบก็จะมีอยู่บางครั้งที่ได้เห็นได้เห็นากายนี่มันมันกลวงๆเจ้าค่ะมันมันเหมือนท่ออะไรสักอย่าง<ช>เป็นอย่างนี้ติดต่อกันมาสักประมาณสัปดาห์แล้วเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก็มันก็หายไปนะเจ้าค่ะ ก็เลยจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามันคืออะไรเจ้าค่ะเป็นปกติแหละร่างกายเนี่ยเหมือนครูหาเหมือนถ้ำนะเจ้าค่ะป็นที่อยู่ของจิตเหมือนท่อนั่นแหละเหมือนถุงนั่นมันมันไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรมันกลวงมันกลวงเจ้าค่ะมันกลวงเป็นที่อยู่ของจิตเป็นปกติเห็นอย่างนั้นธรรมดาเจ้าค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา โยมต้องทําในรูปแบบมากขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะ่ะใช่คือพออายุเยอะขึ้นนะต้องช่วยมันนิดนึงเจ้าค่ะสมองของเราเสื่อมโดยธรรมชาตินะคนตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเนี้ยสมองเริ่มเสื่อมละเจ้าค่ะแล้วเราต้องช่วยมันนั่งเฉยเมันจะเบลอมันจะรู้ไม่ชัดจริงนะใจมันจะล่องลอยง่ายพยายรู้สึกกายบ่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆเดินให้มากใช่ไหมเจ้าคะ่ะเดินเมื่อยก็นั่งพัดไปก็ได้เคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไหมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เมื่อปีที่แล้วมาส่งกันบ้านทีหลวงพ่อบอกว่าผมจิตไม่ตั้งมั่นนะฮะก็เลยไปตามๆดูว่าจิตมันชอบไหลออกไปข้างนอกใช่ <นะ S 1> ถ้ารู้นะมันก็เข้ามาครับก็แต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าบ่อยสักเท่าไหร่เฮะให้รู้นะเวลามันไหลออกไปน้ำเดี๋ยวเข้ามาต้องซ้อมรู้ทุกวันอะ่ะแบ่งเวลาไว้สักสิบนาทีนะจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วพอจิตไหลไปเราคอยรู้ทันเนี่ยจิตจะเข้ามา การที่จิตจะทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นเนี่ยต้องให้เขาเข้ามาเองถ้าเราจงใจดึงนะั้นมันจะแน่นมานั่งทบทวนดูปีหนึ่งรู้สึกเหมือนกับเหมือนกิเลสจะเยอะขึ้นไม่ใช่เห็นกิเลสเยอะขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีกิเลสเยอะขึ้นนะแต่เห็นกิเลสเยอะขึ้นครับเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนที่มาถามหลวงพ่อปีที่แล้วเ อ, อพอตามดูเนี่ยรู้เลยว่า ตัวเองพออยากจะรู้ตัวปุ๊บ ก, ก็ดึงเข้าดึงเข้ากายใช่ใช่ตอนหลังนี่ก็พยายามตามดูจิตมากขึ้นแต่ก็พยายามไม่ทิ้งกายเหมือนที่หลวงพ่อเคยแนะนําครับก็เลยหลังๆนี่ของคุณสังเกตไหมว่าจิตกับกายมันแยกกันดูออกไหมดูออกครับนะมันขันมันเริ่มแยกแล้วละ่ะนะนี่เป็นพัฒนาการนะปีหนึ่งทํามาได้อย่างนี้ไม่ธรรมดานะยากมากเลยที่คนจะแยกขันได้ ก็าการแยกขันได้เป็นจุดตั้งต้นของการเ จ, เจริญปัญญาต่อไปนี้เราก็มีหน้าที่แค่ว่าเห็นขันมันทํางานเราเป็นคนดูสบายๆไปเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่เห็นบ่อยหน่อยก็แล้วกันครับก็พอดีเร็วๆวนี้ครับมันรู้สึกรู้สึกสัมผัสถึงจิตได้โดยตรงะครับแต่ว่าจิตของเราหรือคนอื่นของตัวเองครับเอ อ, เ อ, อดีก็พอสัมผัสได้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกขึ้นมาได้เลยว่าจิตมันมัน กระสับกระสายขึ้นมาครับ ม, ม, มันดิ้นขึ้นมาอย่างแรงเลยเหมือนกับไม่ยอมเงี้ยครมันมันกลัวจะฆ่ากิเลสตายนะเหมือนดิ้นรนจะไม่ยอมให้เราดูนะใช่ครับพอกระจายครั้งแรกที่ผมเคยถามหลวงพ่อคือกระจายครั้งแรกปุ๊บมันกลัวอืแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ลองดูอีกว่ามันยังกลัวหรือเปล่าก็ยังรู้สึกเลยว่ามันกลัวเนีนเหมือน ด, ดูแล้วดูอีกไปเหมือนกับเหมือนกับอยู่บนที่สูงแล้วจับ ก, กิ่งไม้ไว้แล้วกลัวที่จะปล่อยอะครับใช่อ พวงโปนะหรือเว่ยหลางก็ไม่รู้จําไม่ได้บอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องยึดอะไรไว้อย่างหนึ่งถ้าไม่ยึดรูปก็ยึดนามไม่ยึดนามก็ยึดรูปกลัวว่าถ้าไม่ยึดอะไรเลยจะหลุดร่วงลงเหวแห่งความว่างไปรู้สึกไห่ใจมันกลัวมนต้องจับไว้รู้สึกครับเออนะนพอรรแค่คิดถึงก็กลัวขึ้นมาอีกแล้วครับนะกลัวรู้ว่ากลัวนะรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกไปรู้ทันใจที่กลัว ขอบคุณครับหลวงพ่อครับพอดีผมพาแม่มาด้วยในปีนี้ก็เลยอยากข อ, อกั<ห>นได้าแม่อยู่ไหนแม่ข้างผมเนี่งครับแต่แม่ยังไม่ไม่เคยปฏิบัติแนวนี้เลยครับนี่แม่เหรอดูยังเด็กอยู่เลยผมแก่แล้วเหรอ <laughs> <laughs> ข อ, อกันบ้านทั้งผมทั้งแม่เลยครับหลวงพ่อของคุณเอาไปทําต่อนะของแม่เป็นไงภาวนามายังไงบอกแทนแม่ก็ได้ถ้าแม่ไม่อยากพูด ก็ยังไม่ได้ภาวนาเลยครับแล้ให้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะครั บ, รบแล้วก็ให้คอยดูลูกชายไว้ว่าลูกชายเราเปลี่ยนนะลูกชายเราจะไม่เหมือนเดิมหรอกต่อไปข้างหน้าลูกเราจะน่ารักขึ้นเรื่อยๆเนะพราะเขาภาวนานะคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยใจมีความเป็นห่วงเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นห่วงนะใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้บ่อยๆนะอะต่อไป จิตมีโมหะอาคาหลวงพ่อขอคำแนะนำหลวงพ่อช่วงนี้ที่นึงค่ะขอคำแนะนำหลวงพ่อหากเครื่องอยู่ให้มันพุโทโธอะไรไปคือถ้าช่วงไหนดูจิตได้ก็ดูดูจิตไม่ได้ดูกายนะสับสนขึ้นมาก็พุโทโธไว้อะไรไปดูลมหายใจได้ไหมคะหลวงพ่อได้ได้อะไรก็ได้นะให้ใจไปอยู่กับอารมณ์อันเดียว พอมันมีความสุขมีความสงบเพิ่มมานั้นก็มีแรงขึ้นมาก็ากลับมาดูได้ขอบคุณค่ ะ, คคะ ก, กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีสภาวะปัจจุบันนะคะเริ่มหนูเริ่มแยกรูปแยกนามนนได้ชัดขึ้นคะ่ะแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นชัดเลยคือตอนที่เดินจงกรมหนูเห็นรูปที่เดินในขณะที่จิตเกิร์ไปคิด แล้วช่วงที่คิดและมีความเผลอเมื่อเผลอแล้วไปรู้อันนี้คือสติเสร็จแล้วหนูก็นั่งจงกรมหนูก็เห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็แยกจากกันแล้วก็มีรูปที่แยกไปต่างหากแล้วก็เห็นว่าทั้งทั้งสองอย่างทั้งทั้งทั้งความคิดและความเผลอเนี่ยแล้วก็รูปที่แยกไปเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตลักษณ์ค่ะแล้วก็สภาวะ เมื่อวานนี้ช่ connect, ชวงตอนเช้าที่เดินไปทานอาหารหนูเดินไปทางหินท <Moh amed S 1> ี่โรยกรวดนะคะก็รู right? ้สึกเจ็บช่วงนั้นรู้แล้วว่าเผลอเสร็จแล้วก็ไม่เห็นความเจ็บก็เป็นเห็นเห็นสิ่งที่แปลกที่ที่แทรกเข้ามาในความเจ็บสักพักนึงก็หายไปแล้วมาเกิดสภาวะอีกครั้งหนึ่งตอนใกล้ๆจะเวียนเทียนค่ะเห็นโทสะหนูเห็นลยอยอยู่ข้างนอกเมื่อเห็นปุ๊บ มันเป็นสิ่งที่แปลกมันเป็นมันหายแวบไปเลยโทสะตัวนั้นนะคะใช่ค่ะถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดนะก่เลยดับเองเลยแล้วเห็นไหมมันไม่มีเราสักอันค่ะดูไปเรื่อยแหละดูไปจนเห็นสภาวะทั้งหมดไม่ใช่เราค่ะในพัสการคะ่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้ส่งการบ้านประมาณปีครึ่งอ่ะคะ่ะ ก็ช่วงที่ผ่านมาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะคะก็เห็นอีโก้ของตัวเองเยอะมากอ๋อดีนะตัวเนี้ยดีค่ะเพียงแต่ว่าก็คือมันมันก็เหมือนนิสัยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ทันหรือไม่ทันนะคะถ้าทันมันก็ไม่ออกนิสัยเดิมคือเหมือนก็ยังอยู่กับมันอยู่อะค่ะดีค่ะมันมีอยู่รู้ว่ามีนะดีแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาค่ะมันจิตมันเกิดการค้นคว้าขึ้นมาว่าแบบอะไรคือกายแล้วมันก็เริ่ม ดูมันก็ค้นคว้าค่ะมันก็รู้สึกเสียงก็ไม่ใช่กายไอตัวที่คิดอยู่ก็ไม่ใช่กายอแล้วก็มันก็เห็นว่าอันนี้แหละก้อนนี้แหละเป็นกายแต่ไอตัวที่รู้กายอยู่ก็ไม่ใช่กายมันเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ค่ะก็ก็นั่นนะคะก็เห็นเนี่ยแหละนะดูขันมันแยกงั้นนะดูมันทํางานต่อไปก็เห็นเลยแต่ละตัวไม่มีไม่ใช่เราะตัวร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไอตัวที่ไปรู้กายก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มี ค่ะก็แต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนมันมันเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะมันเป็นม่านม่านหมอกหมอกก็ดูไม่ออกเลยแจมฟุ้งไปนะฟุ้งทำความสงบบ้างนะพอดีพาคุณพ่อมาด้วยอะค่ะอยากให้ช่วยแนะนำอยากไปบังคับพ่อนะไปบังคับมาหรือเปล่าก็นิดนึงค่ะนิดหน่อยเนาะพ่อแม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ อย่าเป็นบักครับเราเราภานาพ่อแม่เห็นเราเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยววันหลังสนใจถ้าสนใจหรือไม่เราก็เปิดซีดีของหลวงพ่อให้ฟังนะเราเปิดของเราฟังเองแหละแต่เปิดให้ดังหน่อยพาพ่อแม่ได้ยินถ้าเขาทําท่าจะราคาเราก็ปิดซะแล้วเขาหายราคาเราเปิดอีกอต้องได้หนึ่งนี้นะแล้วเขาจะค่อยๆเรียนนะพ่อแม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะไป การมสการหลวงพ่อค่ะนือหลวงพรู้สึกว่าตัวเองติดอะไรอยู่อะค่ะหลวงพ่อแต่ติดด้วยละเหม่อลอยด้วยค่ะ แ, แก้ไม่ได้ค่ะเหลออยากไหมก็เบื่อแล้วค่ะหลวงพ่อมันนานอยู่เหมือนกันแล้วค่ะมันก็วนเวียนอยู่อย่างมันรู้สึกมันยังไม่ไม่ค่อยไปไหนค่ะไม่ไปไหนก็ได้นะรู้ทันจิตของเราไปด้วยจิตเรายินดีก็รู้จิตเรายินร้ายก็รู้ เราเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เราไม่ได้เรียนเพื่อว่าจะเอาอันนี้จะไม่เอาอันนี้นะงั้นสภาวะอันนี้เกิดซ้ำซากใจเราไม่พอใจก็แค่เห็นว่าไม่พอใจสภาวะที่ซ้ำซากนั้นเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเพรมันเราบังคับมันก็ไม่ได้มันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเราควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้งั้นการภาวนาเราไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสูงเอาสงบเอาวิเศษวิโสอะไรหรอกไม่ได้มุ่งกระทั่งจะเอามรักเอาผลนะ มุ่งให้เห็นว่าทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ใจรักนะนะมรรคผลเป็นของแถมมาดูออกไหมล่ะใจไม่เป็นกลางะแต่ใจไม่ค่อยถึงฐานด้วยใช่ไหมคะอืมให้ให้รู้เอานะรู้ไปสบายที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไหมล่ะว่าโลกมันแยกออกไปะะนเห็นไหมขันมันแยกออกไป ค่ะเห็นค่ะพอดีแล้วอ่ะจะเอาอะไรอีกอ่ะนั่นนะคะหลวงพ่อหนูดูตัวเองไม่ออกว่าดีหรือไม่ดียังไงยังค่ะหลวงพ่อแต่ว่าบางทีก็คือเห็นเห็นเห็นเห็นขันเขาทํางานแล้วมันแยกออกไปเป็นเรื่องๆนะะนั่นแหละเราไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกนะฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นว่าโอ้ขันมันทําเองนะไม่มีเราสักขันหนึ่งทําอยู่แค่นี้แหละคะหลวงพ่อแค่นี้แหละก็ทำกันแค่นี้แหละถึงพระละหันค่ะขอบพระคุณค่ะ กลาบน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าโยมปัญญาล้ำหน้าไปไม่ทราบว่าดีขึ้นไหมเจ้าค่ะเลอแล้วล้ำน้อยลงไม่ล่ะดูไม่ออกเจ้าค่ะปัญญาล้ำหน้านะก็คือมันด่วนสรุปไปนะเห็นนั่นนั่นก็ไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันไปเดือดไปนะแล้วต้องต้องทำยังไงให้มันดีกว่านี้คะเจ้าไม่เอาไม่เอาดีดีได้ก็เสื่อมได้ นะเราภาวนาเพื่อให้ใจมันยอมรับว่าทุกอย่างนียไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับนะทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ต้องการแค่นี้เท่านั้นแหละฝึกให้ใจมันเห็นของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อวันหนึ่งมันจะยอมรับความจริงคือไตรลักษณ์ก็แค่นั้นแหละนะไม่ได้ฝึกเอาดีพิเศษอะไรหรอกบางคนบอกทําไมมันซ้ำกันทุกวันกนะิเลสก็ของเก่านะธมก็ของเก่าก็ซ้าๆอย่างนั้นแหละ เจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาะขอความเมตตาวันนี้พาทั้งลูกทั้งหลานมาโอ้ไม่ไหวมั้งขอความเมตตา<น>ให้หลวงพ่อช่วยแนะนําคนใหม่สักสัก น, นิดหนึ่งนะเจ้าค่ะให้เริ่มต้นขอดูหน้าพร้อมๆกันเลยสองคนนะเจ้าค่ะสองคนนะเจ้าค่ะแล้วก็หลานหลานข้างหลังนะเจ้าค่ะรู้จักใจลอยไหม ไม่แน่ใจค่ะเออนะเห็นไม่ร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายอ้าปากพูดไหมค่ะนีหนูเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าแล้วเห็นแล้วค่ะเออนะเนี่ยหนูคอยรู้สึกเรื่องกายเคลื่อนไหวหนูคอยรู้สึกเรื่อยๆนะค่ะรึกตัวนี้ให้ชํานาญแล้วตัวอื่นมันเป็นเองแหละค่ะขอบคุณครัอ้าวอีกคนนึงคนนี้ดูใจของตัวเองไปลุกๆกลุกลิกคิดมากอะไรเงี้ยนะ รู้ทันมาน้ามันคิดอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งวันเลยคอยรูค้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปน ะ, ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมากราบหลวงพ่อเมื่อห้าเดือนที่แล้วค่ะอยากทราบว่าตอนนี้โยมต้องปรับปรุงอะไรบ้างเจ้าค่ะศีลดีไหมศีลศีลเราดีได้ยังตอนนี้ก็ คิดว่าพยายามทำให้ดีที่สุดออ น, นะคะแล้วก็ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยไหมตอนนี้โยมคิดว่าจิตออพลิกเป็นสมถะบ่อยมากขึ้นมากขึ้นค่ะ เ, ออเป็นสมถะเราก็รู้ทันน ะ, ะไม่ห้ามหรอกแล้วพออยู่ตรงนั้นพอสมควรมพลิกขึ้นมาเดินปัญญาเราก็รู้ทันน ะ, ะนั่นแหละก็ดีแล้วล่ะทำบ่อยๆไปเจ้าค่ะนะ กลับนมัศ ก, การค่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาปีหนึ่งอะคะ่ะก็กลับไปทําตามรูปแบบมากขึ้น <c oughs> ไม่ทราบว่ากลับไปเพ่งหรือเปล่าให้ถ้าเพ่งใจก็แน่นๆสิแน่นไหมอึดอัดไหมไม่อะค่ะไม่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเราเห็นไหมว่าขันมันเริ่มแยกหรือยังเริ่มเห็นบ้างแต่ไม่แน่ใจอะค่ะสังเกตไหมพอขันมันแยกได้นะชีวิตเราเปลี่ยนไปนะจิตใจเรามีความสุขขึ้นเยอะเลย ไปฝึกต่อไปดีแล้วล่ะขอบคุณค่ะนรมัสการหลวงพ่อขอโอกาสเรียนถามสังเกตว่าทุกคราวตื่นนอนมาจะเป็นช่วงเวลาของโมหะจะมีโมหะเข้าแทรกมากมถ้ามีอยู่วันหนึ่งก็มันจะมีความคิดเข้ามาตลอดเหมือนกับเรานั่งกดรีโมทโทรทัศน์เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆจับสาระอะไรไม่ได้มันวิ่งเข้ามาตลอดเออนะแล้วก็คับไม่ได้หรอก ครับก็เลยเกิดความรู้สึกมาเข้านั่งที่ซ่วมนะฮะอืก็นั่งหลับตาหมออ่าอยากจะคิดคิดไปฉันจนฉันจะนั่งดูพอนั่งดูปั๊บสักพักหนึ่งมันเหมือนกับเรากดรีโมทปิดโทรทัศน์เลยครับทุกอย่างมันดับวูบไปมันมีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วนั่งหลับตาอยู่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมทั้งมีความรู้สึกตัวอยู่ครับโอ้ใช้ได้แล้วเราเห็นว่ามันอะไรมันหายไปหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงเออเต้นได้แล้ว หลับตาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกมันสว่างว่าบขึ้นมาเลยแล้วก็ขนลุกขึ้นมาเลยดีๆีแล้วก็นั่งมองความคิดไม่มีเข้ามาก็นั่งมันก็เหมือนนิ่งสงบนิ่ง<อ>มีความสุขนั่นแหละจิตมันเข้าอัปปนาสมาธิอ๋อครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาขณะสักพักหนึ่งก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกยินดีกับสิ่งนี้ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็พยายามทาแบบเดิมอีก แต่มันก็ไม่มีไม่มันทําแล้วมันไม่ได้เพราะเราโลภตรงที่มันได้นะเพราะเราไม่ได้จงใจนะมันเป็นเรามีหน้าที่มีสติดูกายดูใจของเราเรื่อยไปถึงคราวเขาเป็นเขาก็เป็นเองแหละถ้าเราจงใจให้เป็นไม่เป็นเรกเราอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับจิตไม่เข้าสมาธิจิตมันรวมอ๋อครับร่างกายก็หายหมดเนาะร่างใจ ย, ยังอยู่ครับอ๋อยังอยู่ยัง ย, งยงไม่ถึงอรูปครับนะ แต่ว่าก็ครั้งเดียวไม่เคยเกิดอีกเลยไม่เป็นไรได้เกิดมาลิ้มรสชาติบ้างก็ดีแล้วล่ะนี่แหละจิตมีสมาธินะมีปิติมีความสุขมีความสว่างขึ้นมาก็พยายามรู้ว่าอยากมันจะไม่ได้ตอนหลังๆก็พยายามจะทำอีกแต่ว่ามันอยากนั่นแหละจะแกล้งหลอกว่าไม่อยากแต่ยบอกว่าไม่อยากนี่หน้าที่เจริญสติเลไปนะครับถึงเวลาก็ทำาทอะไรก็ทาไป ทำไปเรื่อยแหละดีแล้วล่ะนามสการ์ค่ะหลวงพ่อคือช่วยในในที่ทำงานนะะหนูมีชีวิตอยู่ที่ทำงานอย่ประมาณ5้าสิบอร์ซนตชิ้นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแนะนำหนูบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยควรจะต้องชมคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าชมไม่ได้ใจมันไม่ถ้าใจเราไม่ยอมเนี่ยล้วพูดไปมันเหมือนแบบดัดจริตเขาก็เขาก็บอกว่าเรายึดในความเห็นตัวเองหรือเปล่า ทีนี้ก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเออแล้วการที่เขาพูดอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้หลวงพ่อพช่วยพิจารณาหน่อยว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าหรือว่าทิฏฐิมานะเกินไปหรือเปล่าเข า, เขาไม่มีความดีเลยเหรอคือมีค่ะแต่ว่าในสมมุติในเรื่องเรื่องหนึ่งเขาอยากให้แบบพูดเพื่อให้กําลังใจอ่ะออให้กําลังใจได้นะหลวงปู่เทศเคยสอนนะหลวงปู่เทศบอกใครเขามีอะไรดีนะเราก็ดู เขาดีก็ชมเขานะเขาจะได้ดีมากกว่านั้นทําด้วยเมตตานะไม่ใช่ทําเพราะว่าเสแสร้งเงินใจหนูก็ต้องเมตตาสิคะใช่ใจหนูมันเป็นโทสะละมังใช่ก็ก็มันไม่ดีจริงแนละ้วหนูชมไม่ได้ไงมองสิ <c oughs> เขาไม่มีดีเลยเหรอ <c oughs> มันเป็นไปนไม่ได้หรอกใครมันจะเลวร้อย <c oughs> ถ้ามันเลวร้อซไม่ได้เกิดเป็นคนหรอก <c oughs> โอเคค่ะไปดู <c oughs> ไปดู <c oughs> ต่อไปพอเราหัดสังเกตนะเราจะพบว่าคนแต่ละคนเขาก็มีข้อดีนะ ถ้าเรามองเป็นนะเราก็ค่อยๆโอ้คนนี้เขาจุดเด่นตรงนี้คนนี้เขาเด่นตรงนี้เนะียอีกหน่อยนะเวลาเราทํางานนะสบายเลยคนนี้เขาเหมาะงานนี้ก็ให้ทําแต่คือบัองเอิญในเรื่องนั้นๆเขาไม่หนูเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ในการทําก็ไม่ชมไม่ลงไงฮะเออเราก็ไปชมอย่างอื่นแล้วพูดอย่งหนูผิดศีลไหมคะฮะผิดศีลป่ะไม่ผิดศีลแต่ไม่ประกอบด้วยเมตตามไม่มีโทสะอือ่า ไปเพิ่มความเมตตาเพิ่มไงคะเออไปเพิ่มเมตตาเขานะงั้นคือเรื่องจริงบางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องพูดใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพูดความจริงทั้งหมดนะคือสัมมาวาจานะบางทีไม่พูดเป็นสัมมาวาจามากกว่าค่ะแล้วก็ภาษาเนี้ยสินบางข้อหนูยังไม่บริสุทิหนูตั้งใจเป็นแบบบูชาถวายพระพุทธเจ้าหลวงพ่อค่ะสาธุสาธุนะอย่างนี้ชอบดีหนูฝึกตัวเองนะหนูพัฒนาตัวเองมาได้เยอะแล้วล่ะเมื่อก่อนหนูร้ายกว่านี้ หลวงพ่อเชื่อไหมตอนแรกหนูรับไม่ได้อะไม่กระทั่งตัวอิจฉาหนูไม่เคยคิดว่าหนูอิจฉานะพอปฏิบัติแล้วมันเห็นนะมันน่านนเกียดนะคะเออนะนแล้วมันรับไม่ได้แล้วมันแบบดูไม่เป็นปัจจุบันนะมันรับไม่ได้ก็เลยถอยเลยค่ะไม่คิดว่าตัวงจะแบบอิจฉาเป็นนาะงดีที่เห็นเห็นไหมชมอีกแล้วอิจฉาเ ป, เป็นอย่างดีเลยเห็นไหมหลวงพ่อชมจริงๆใช่ไหมคะจริงเพราะว่าเรารู้ไงคนทั่วไปเนี่ยนะมันนอนจมของศกปรกอยู่ แล้วมันไม่เคยเห็นนะหลวงพ่อไม่ชมหรอกนนี้ถ้าเราเห็นว่าอุ้ยตอนนี้เดินซุ่มซ่ามตกโถสซ่วมไปแล้วเนี่ยยังรู้นะว่าเราสกปรกแล้วดีแต่ใจมันไม่เป็นกลางค่ะเราให้รู้ก็รู้ไม่ได้อะ่นะค่ะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ไปบังคับให้เป็นกลางนะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อครับมันรู้สึกว่า เวลาตื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันจิตมันตื่นแล้วมันออกไปเล่นแล้วแต่กายมันไม่ยอมลุกครับอืมแล้วกายมันตื่นหรือยังหรือกายยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเอห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าจิตตื่นแล้วกายก็ตื่นแล้วแต่ไม่ยอมลุกถึงจะใช้ไม่ได้แล้วมันตอนนั้นร่างกายมันสั่งไม่ได้ใช่ไหมมันนอนอยู่เราสั่งมันกระดุกกระดิกไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้เก่งแล้วจิตตื่นขึ้นมาเรารู้ทันเห็นไหมชมอีกแล้วเห็นไหมอ๋อ ก็ไม่เก่งเหรอเห็นตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตื่นอ่ะดีแล้วมันก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยภาวนาเลยไม่ดีเลยมันรู้สึกมัรู้สึกว่าหลงเยอะไม่ชมแล้วมันรู้สึกว่าหลงเยอะอย่าไปหลงหลงอะไรอายุแค่นี้เริ่มหลงแล้วมันเป็นหนุ่มมันไม่หลงไปหมดเลยหรอขยันดูนะครับนี่พนักงานจิ๋วของส่วนสันติธรรมนะตัวจิ๋วจิ๋วนี่ย มีหน้าที่แบกหนะังสือมาแจกมาวัดแต่เล็กๆนะมันคุ้นคุ้นกับวัดนะพวกนี้โตขึ้นถึงจะใจแตกไปก็ไปช่วงเดียวนะสุดท้ายมัก็กลับมากลับมาสัมการหลวงพ่อครับโอกาสครับส่งกันบ้านหลวงพ่อครับตอนนี้รู้สึกเหมือนกับนั่งนั่งรถไฟเหาะอยู่เต้นเต้นครับผมนี่ก็เริ่มเบาลงครับรนะเริ่มเบาลงบ้างนะครับมันอยู่ที่หน้าอกแหละ อย่าไปบังคับมันนะคแค่รู้ของคุณดูออกไหมธาตุขันอะไมันก็เริ่มแยกออกไปครับรู้สึกครับตัวนี้สําคัญที่สุดเลยนะถ้าชาวพุทธเราแยกธาตุแยกขันไม่เป็นเราไม่มีวันเดินวิปัสสนาได้เลยเพราะการเจริญปัญญานะจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคือการแยกรูปแยกนามครับร่างกายส่วนกายจิตส่วนจิตนีถ้าแยกตัวนี้เป็นแล้วค่อยเดินปัญญาได้ค่อยทํามวิปัสสนาดีผมจับ หมดเวลาละนะ